จำอะไรไว้ในความจํามันยังไม่ยังไม่ได้จําไว้แต่ถ้าลองลิ้มแล้วมันจะจําถามว่าใครจําก็ความจำเลยมันจําไม่ใช่ใครเลยครับจําแล้วมันห่วยหาหวยหาแล้วมันมันจําอารมณ์ได้ดังนั้นมันรีคอนสตรัคต์นใหม่ผมใช้ภาษาฝรั่งัะมันสร้างความจําันนั้นมาอีกทีหนึ่งคุณรู้เรามีสิ่งที่สําคัญมนือคือพลังนาจของสมองพลังนาจของจินตนาการ เรื่องสามสี่สิบปีนี่ยมันสร้างสารรค์ขึ้นใหม่แล้วยังมีอารมณ์เหมือนเดิมหลวงพ่ออหนึ่งเราฟงังนะครับที่หลวงพ่อกระจ่างครับท่านคงสี่ไม่ได้เจอกันสามสี่สิบปีท่านบอกมีหลวงพ่อองค์หนึ่งด่าท่านเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะตกลงก็หกสิปีแล้วนะท่านบอกว่านึกขึ้นที่ไหนยังกโกรธไม่หายทดินั้นแล้วองค์นั้นตายไปแล้วนะเผากันไปเรื่ไอ้มนนู้นนี่มันเหลือเกินจริงครับดังนั้ น, นผู้ที่มีความจําแล้วก็ไม่มีสติ ไม่มีอิสระนะครับความจํานั้นจะนําไปสู่อข้อจํากัดเราเห็นนะครับบางคนเนี่ยฝังจิตฝังใจกับเรื่องที่เกิดมานานยี่สีเนีง่ยจนชีวิตถูกจับตัวอยู่ลืมไม่ลงกับเรื่องบางเรื่องนึกงอนนิ่ง อ, อกนะฮะนั้นปัญหาของเราอยู่ตรงทําไงเราจะผ่านสิ่งที่เราไม่ปรารถนาะให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดในทางจิตคืออย่าไปจํามันผมหมายหนึงราคานะแต่ต้องใช้ความจำอีกตัวหนึ่งครับ ตรงนี้มันพูดถ้าถามซ้อนมาแล้วจะทํำยังไงโอ้ทีนี้ยุ่งแล้วครับมันต้องนำเข้าไปสู่เทคนิคเช่นสิ่งแวดล้อมต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆที่หัดเจริญสีตั้งแต่เรื่องง่ายไปสู่ยากการสร้างจังหวะยกมือแบบลุงเสียงก็ใช้ได้ที่จริงเนี่ยอนาปาก็ดียนออกนองของนก็ดีทั้งนั้นนะครับแต่จะไม่มีเทคนิคหนึ่งเทคนิคใดโดยเฉพาะที่นําไปสู่จุดจบเทคนิคมันอาจจะนําเราออกจากห้วงปัญหา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 จึงต้องการขั้นตอนหนึ่งทํางไรสลับหลุดจากเทคนิคต่างๆให้เหลือชีวิตล้วนๆสติอันนี้ไม่ใช่เทคนิคแล้วนะฮะสติภายในนี่ไม่ไม่เกี่ยวเทคนิคครับชีวิตซ่อนศักยภาพที่สามารถศักยภาพแห่งอิสะภาพไว้เรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวเม็ดพืชซ่อนศักยภาพที่เติบโตเป็นต้นสายข้อสาคัญที่สุดเราต้องทาถูก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 ขอให้ดินธรรมดานะครับไม่ใช่ดินดานหรือลงไม่ถึงดินดินธรรมดาเนี่ยรดน้ำก็ธรรมดาไม่ต้องโชคชุ่มทั้งวันทั้งคืนความเพียรเท่าที่มนุษย์เรามีจนเรารู้สึกได้เราเพียรแล้วนี่สําคัญเนะืมาตร ก, การนี้หลายเรื่องเราบอกเราเราได้รับผลตอบแทนตั้งนั้นเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่ได้ใช้ความเพียรแต่โชคช่วยความเพียรอันนี้คือเรารู้สึกว่าตัวเรากับความเพียร น, นี่แมตกันพะคนพบผมใช้ภาษาฝรั่งนะขอโทษนะ ความรู้สึกเอเนอร์จติกกระชับกระเฉ่งขึ้นในการภาวนานั่นแหละครับความเพียรนี่เหมาะสมถ้าเกินเนะื้อความเพียรเกินนี่เป็นอุปสรรคฉะนั้นพระเจ้าจึงเตือนพระคามินีบอกว่าธรรมชาติของขขอินทรีห้าย่อมได้สมดุลกันจึงจะออกผลศรั mm hmm. ทธาเกินนี้ไม่ได้ถ้าศรัทธาล้ําหน้าจนจนกระทั่งกลายเป็นเซ uh, นติเมนต์ต้อนน้ำหูน้ําตาไหลล้มเหลวครับปัญญามากทุ้งซ่านง่าย ขันตีมากแล้วปัญญาหย่อนไม่ได้ครับสมาธิน้อยกังวาไม่ได้ธรรมชาติเหล่านี้ต้องได้สมดุลพอได้สมดุลมันจะปรากฏผลงมาท่านได้ก็สั น, นั้นครับเหมือนเรลูกเม็ดขนุนเทุกสิ่งก็ได้สัดส่วนแต่ก็คือเม็ดขนุนธรรมดานี่ยไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พิเศษอะไรดังนั้นคําถามที่ถามนะฮะจากพื้นฐานของสติธรรมดานี่นะฮะแต่ว่าต้องฟูมฟักจงกระทั้งสตินี้นะเข้มเข้มและว่องไว เข้มผมหมายถึงมันมันอิลูมิเนตมีกําลังนะฮะมีกําลังซึ่งต้องอาศัยความเพียร น, นะความเพียรคือความขยันครับคนใต้เนี่ยมีศัพท์เขาคาว่ากล้านะ่ซึ่งคำวีระหรือวิทยะเนี่ยกล้าเนะี่ยแปลว่าขยันครับเป็นคนภาคใต้ซึ่งนี้เป็นลากศับเดิมครับคนภาคใต้เขาไอคนนี้มันกล้าดีนะไม่ใช่ไม่ใช่กล้าตายนะคือมันขยันงานนั่นเองครับ mm hmm. เวลาปฏิบัติธรรมนี้สิ่งหนึ่งคือการสร้างองคนิสัยที่ขยัน ขยันขันแข็งที่จะดูใจเดินจงกลมคนขยันเนี่ยรับรองได้มันมันเริ่มค่อยๆสละไอ้ความซุกซ้าวความเหนื่อยเหนื่อยเนะีความล้าความท้อแท้เนี่ยจะถูกทําลายลงลยนี้ด้วยความขยันขันแข็งเนี่ยการตื่นเช้าโดยโด ย, โดยหลักธรรมเนี่ยมันมีพื้นฐานของภูมิธรรมที่นําไปสู่ปัญญาชั้นสูงนั้นง่ายๆทั้งขึ้นครับเช่นรู้จักกินรู้จักใช้โภชเนมัตตันอยู่กา<ม>เริ่มต้นในบทง่ายๆเนี่ย แล้วอินทรีย์สังวราสารวนในการใช้ตาใช้หูมัดระวังโดยเฉพาะใจคุมไม่ให้มันตเืเติดเปิดเปิ่งครับแล้วก็ชาคริยานุโยคฝึกทำเป็นเครื่องตื่นรวมนั่งตื่นตัวและตื่นนอนตอนเช้าเด้วยครับทำอะไรด้วยดวงจิตที่แจ่มใสด้วยความเต็มใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่ง่ายมากๆครับแต่แน่นอนนะครับการประคองให้พื้นฐานนี่เติบใหญ่เป็นงานอีกด้านหนึ่ง ซึ่ต้องอาศัยสภาวะร้อมโดยเฉพาะออยิ่งสภาวะร้อมที่เรียกกัลยาณมิตรตามิตรที่ดีเพราะมิตรที่ดีนั้นเราไม่มีข่มดันในการไถ่าถามถึงปัญหานะแล้วก็ประเด็นที่ถามผมสรุปเลยนะตามประสบการณ์นะเพราะว่านี่นี่มันอยู่นอกหลักการโดยหลักนั้นถูกแล้วครับที่ว่าเมื่อเราคาเกิดโทสะเกิดให้พิจารณาสิ่งนี้เป็นทุกข์เป็นโทษแต่วผมตั้งคาถามสักคาว่า มีเวลาที่พิจนารณาครับพอราคาเกิดมันลากคอไวเรียบร้อยแล้วครับมันพิจารณาจริงก็เรียบร้อยไปแล้วถูกมครับดังนั้นสิ่งสำคัญมันน่าจะอยู่ที่ระบบป้องกันครับความคุ้นอย่างยิ่งกับสภาพไร้ไร้กราคาซึ่งเรามักจะไม่ใส่ใจว่ามันปรากฏอยู่นะโดยพื้นฐานมันปรากฏอยู่นะสภาพไร้ราคาเพราะว่ากิเลสเป็นเพียงอคันตุกะ ค, ครับ มันไม่ใช่สิ่งถาวรหรืไม่ได้เกิดจากเนื้อในอง์ชีวิตกิเลสมันเป็นอาคันตุกะจอนเข้ามาในช่วงที่เราไม่รู้ตัวนะครับทีนี้ช่วงไม่มีกิเลเนี่นะครับสคัญมากเมื่อเราคุ้น ม, มากๆเข้ามันจะแผร่ขยายครับมันแแร่ขยายพื้นที่จนครอบคลุมชีวิตทุกอนุลงชีวิตเราเริ่มสัมผัสความบริสุทธิ์ของตัวชีวิตซึ่งทุกคนเป็นอันนี้การสัมัสบริสุทธิ์จะไม่เกิดอาหังการขึ้นมาคิดว่ากูบริสุทธิ์ แต่ถ้าเป็นระบบที่ไปทําสมาธิแบบเข้าชงพาสารเกิดอาหาังการนะครับ mm hmm. เห็นคนอื่นสกปรปกทั้งนั้นฆ่าคนเดียวบริสุทธิ์แต่ถ้าเด็กาัเจริญนิพพานาใช้สีธรรมดนจะเข้าใ จ, จทันทีว่าทุกคนบริสุทธิ์ทั้งนั้นครับโจรก็ บ, บริสุทธิ์ครับแต่เขาไม่รู้ตัวตรงนี้มันจะนําไปสู่ฮิวแมนนิตี้ครับมนุษยธรรมศา ส, สนธรรมนั้นมีสิ่งสําคัญอันหนึ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้ลางเลือนศา ส, สนธรรมค่อยๆเข้มงวด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 เป็นการผลักดันผู้ลิภัย อ, อุยพผู้ผู้ประสบชะตากรรมออกนอกประเทศเนี่ยร้ายมันจะทหรือเปล่านะอันนี้ดูผมจะพูดทงนอกเรื่องนะก็คำถามนั้นคิดว่าได้ตอบแล้วนะครับคุ้นอย่างยิ่งกับความรู้สึกที่บริสุทธิ์จนกระทั่งว่ามันแผ่กัมมันภาพออกมาในตัวมันเองเมื่อกระทบอารมณ์ราคะาาาตั้งอยู่ไม่ได้ครับตกไปโทสะเข้ามากระทบแล้วก็ตกไป ถ้ามันตั้งอยู่นานเราก็หวั่นไหวนานซึ่งกลไกลอันนี้จะถูกปลุกไอความรู้สึกฉับไวนี้มีซ่อนอยู่ในเราแล้วครับมันจะทําติดมันเองโดยหลักท่านถือว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนบุรุษที่แข็งแรงอยากนึกอยากจะสลัดแขนจะทําได้ดังใจนี่หมายถึงภาวะของอนันหันนะแต่แค่โซดาบอกสันอุพมาเหมือนน้าที่ลาดบนใบบัวมันมีช่วงที่ตั้งอยู่แต่ว่าไม่ติดลาดไหลมีช่วง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 จะให้อจิมช่วยที่ไดว่าที่บอกว่าไม่ไม่หาไม่หาบุญนอกเขตพุทธศาสนาอ๋อ บ, บุญในเขตนอกพุทธนาสนอ๋อครับดีนะครับเพราะว่านั่นเป็นเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธไปรู้กันนะครับว่าแต่ว่าความหมายมันคุมเคือซึ่งเราต้องทำความกระจ่างไม่สแสวงหาบุญนอกขอบเขตของพุทธศาสนาถ้าพระพูดนี่มีปัญหา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 แต่ดูไปแล้วภายใต้ลัทธิทุนนิยมนะการทําบุญของคนรวยเนี่ยมันเป็นการลงทุนผลใหม่ผมกล่าวข้อหาแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีทําบุญเพื่อเอาหน้าเพื่อให้เพื่อสแสวงหาอะไรบึงสิ่งไปนั้นคำว่าข้อเกณฑ์พุทธศาสนาหมายถึงว่าทําบุญเพื่อสละความเห็นแก่ตัวก็ได้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือไม่ควรทาบุญชนิดที่ทําให้ก่อเกิดทุกโศกขึ้นแกมวลมนุษย์ หลายปีก่อนมีองค์กรหลายองค์กรในประเทศนี้เรียกอะไรเงินทำบุญเพื่อจะอซื้อปืนไปฆ่าคอมนิตแล้วมีพระบางรูปเห่าหาหนึกขนาะดพูดว่าฆ่าคอมนิตไม่บาปเท่าฆ่าปลาให้พระกนินก็ไปกันใหญ่เท่านั้นเองนะังนั้นเรควรจะทำบุญด้วยจิตใจซึ่งใสสะอาดแล้วควรจะใช้สติปัญญา น, นำว่าสิ่งเราทำนี้ไปทำลายผู้รับหรือเปล่าเช่นซื้อรถยนต์แพงๆให้พระเนี่ย เรากำลังทำลายาศาสนาด้วยการทำบุญของเราหรือเปล่าถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ยุ่งกันใหญ่ครับยิ่งโลกกำลังอยู่ภายใต้อิทธิพลของไฮเทคเท่าไหร่พระสงฆ์หรือ ผ, ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องสังวรหนักขึ้นมาอะไรที่มีเข้าแล้วเนี่ยมันเสื่อมเสียนะเทคโโลยีไม่ได้มีความชั่วร้ายในตัวมันเองเนี่ยแต่ว่าเมื่อไม่รู้เท่าทันมาแล้วมันจะควบคุมพฤติกรรมเอาแล้วทให้ชีวิตค่อยๆสูญเสีย ความเป็นมนุษย์สิ่งที่เป็นอุสรรที่ร้ายกาจต่อมนุษยธรรมนะคือเครื่องจักรเครื่องกลที่มีประสิทธิภาพสูงจนลดค่าของความเป็นคนลงรวมถึงความยึดติดในสถาบันอย่างมงมงายเช่นยึดติดในยกตัวอย่างนะชาวจุฬาชาวธรรมศาสตร์จับแดงยึดมั่นว่าจุฬากูธรรมศาสตร์กูชิบมึงจุฬามนุษยธรรมเติบโตไม่ได้ครับมนุษยธรรมเป็นมนันจะเติบโตขึ้นต่อเมื่อมองเพื่อนร่วมโลก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 ความปรารถนาดีนะฮะผ่านทางคำพู ด, ดง่ายๆ mm hmm. นี้คือความปรารถนาให้คนอื่นได้รับสิ่งดีงามนี่ผมคิดว่าเป็นอริยะอย่างยิ่งครับวิสัยพุทิชนนั้นเต็มไปด้วยฤิศยาถ้าให้คนอื่นได้ดีก็ฆ่าต้องก่อนแล้วเองค่อยตามมาทีหลังนะแต่ส่วนใหญ่แล้วแรงฤิษยานี่กลางกัน้นการทบุญกุศลนะไม่ขัดแย้งนะครับที่ว่านีนะ จริงที่มาก็เหมือนจะมีมาในพระวินัยนะฮะที่เหมือนจะเป็นถ้อยคําของพระอานุนโดยซ้ำไปผมผมเรียนแล้วเรียนรางนะที่ว่าให้ทําบุญในขอบเขตพุทธศาสนาไม่น่าจะมีความหมายว่าให้ทําบุญเฉพาะกับพระเท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าเองเมื่อใครก็ตามนะพราหมณ์คนหนึ่งคนใดที่หารมา่เลื่อมสายท่านท่านยังสนับสนุนให้เขาทําบุญใส่บาตรให้กับนักรต ที่ไม่ใช่พุทธไม่ใช่ชาวพุทธด้วยครับเป็นพวกนิครนพวกเดรศีนิครนอะไรนะท่านยังหนุนได้ทำบุญผมตอบได้เท่านี้ครับต้องการทราบว่าคนเ่านี้เวลาตายแล้วไปไหนกันคนระับโอ้ครับน่าจะลองตายดูสักที <laughs> จะได้รู้จะได้รู้เรื่องไปเลยนะ <laughs> <laughs> เป็นคำถามซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นอภิปรัชญานะ เป็นเรื่องที่เฉพาะตัวองคนที่มีนิสัยในทางนี้ใครรู้แล้วก็ถ้ารู้ไม่ได้จะกลัด ก, กลุ่มมากมีมีพระลูกหนึ่งในสมัยพุทธกาลถามรานะพระพุทธองค์เช่นนี้นะแล้วคุกคามพระพุทธเจ้าด้วยครับบอกถ้าไม่ตอบให้กระจา่างเลยจะสึกระท้วงพระเจ้าท่านเลยบอกว่าทังนั้นสึกเลยท่านบอกท่านไม่ได้ชวนมาบวชเพื่อจะตอบคําถามนี้แต่ว่าเป็นคําถามที่ที่ชวนคิด ชนแต่จองผมไม่ได้ปฏิเสธนะฮะแต่ว่าชาวพุทธนั้นต่อเรื่องราวซึ่งสัมผัสไม่ได้ท่านแนะให้วางท่าทีครับเช่นมีบทพระสูตรที่ปลอบขวัญภิกษุที่ยังมีสิ้นสงสัยในเรื่องภพชาติท่านปรับใจยอย่างนี้นะฮะท่นานแปลว่าถ้าชาติหน้ามีอีกในภพนี้ชาตินี้พวกเธอก็ปฏิบัติอยู่ใน ทำวินัยนี้แล้วดังนั้นถ้ามีชาติหน้าเธอต้องเกิดดีนี่เป็นบทปลอบใจถ้าไ ม, ม่ได้ตอบว่ามีนั้นไม่มีนะถ้ามีท่าบอกเธอต้องเกิดดีนีสมมุมติถ้าไม่มีขึ้นท่านบอกว่าเกิดทุกภพเป็นทุกทุกภพดังนั้นไม่เกิดดีแล้วเนะนี่เป็นบทปลอบใจเท่านั้นซึ่งง่ายดายแล้วตรงไปตรงมาแต่สําหรับบทที่ท่านท่านตอบโต้เพื่อให้สํานึก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 เป็นหมวดธรรมที่เรียกสติปัฏฐานสีเป็นเรื่องถอนลากของอวิชาคือสมมติมีใครตอบว่ามีหรือไม่มีนี่มันทําลายความสงสัยเราไม่ได้นะครับบางทีเราจะสงสัยเพิ่มขึ้นอีกครั้งว่าคุณเอาเหตุผลอะไรมาตอบว่ามีงนั้นปัญหาไม่รู้จบนะวละจบไม่ได้เลยแต่ผมขอเตือนนะครับว่าปัญหาไม่รู้จบนี่สําคัญเหมือนกันครั้งหนึ่งนะครับในประเทศนี้เนี่ยเราเคยชั่วมั่นในเรื่องภพชาติ ในสูตรที่เรียกพระสูตรที่เรียกสัมมาทิฏฐนะิมีบทหนึ่งคือเชื่อเรื่องปัลละโลกโลกนี้มีโลกหน้ามีเพเป็นเช่นนั้นทำใหผ้ผู้นั้นนะผู้เชื่อนะครับมีทัศนวิสัยต่อชีวิตที่ลุ่มลึกแทนที่จะมองชีวิตแค่เกิดและกะต็ตายแล้วก็สูญเปล่ามองไม่นะช่วงชีวิตที่เราอยู่นี่สัมพันธ์กับบุพ ก, กรรมแต่ความเชื่อ น, นี้เป็นป o p u l a r b าบุ h i s m มครับขอโทษใช่เจ้าหลัง เป็นศาสนาในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนซึ่งมีพลังในทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่าผูเมียพบกันชาตินี้ก็เพราะแรงอธิษถานเมื่อชาติก่อนดังนั้นจะเป็ น, นกลไกระงับความรุนแรงได้มากครับจะอย่าสึว่าผมจะทิ้งเมียผมคิดหนักเลยเคยรักกันมากี่แสนชาติแล้วจะมาเอาเรื่องนิดเดียวทําไม่ได้ช้างมาหัวไฟนะครับทรัพย์สินทั้งที่มีวิ ญ, ญญาณครองและไร้วิญญาณนั้น รู้แล้วจะเกิดจากบารมีที่สังสมมาเคยทําทดีมาชาตินี้ยิงได้อย่างนั้นชาติก่อนเคยทําทบุญมาชาตินี้หน้าตาสวยงามแต่ท่านไม่ได้บอกเอาไปประกวดนางงามเลยถ้านไม่ได้บอกว่ามือหน้าตาสวยให้ไปอุยฉุยแฉกได้แล้วนะมาอย่างนั้นครับคือต้องสารบารมีต่อเมื่อเราได้รับผลแล้วนะครับชีวิตนี้เกิดด้วยอำนาจขงบารมีและความหมายของมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทําบารมีนี้ให้เต็มเปี่ยม ไม่ใช่ไปทําลายบารมีขึ้นเช่นทําบุญกับละคังท่านว่าเสียงจะไพเราะในชาตินี้หรือทําบุญก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเกิดมาจะสะสวยเมื่อสระสวยแล้วก็ไปประกฏนางามได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นครับสิ่งนี้ดีแล้วต้องมุ่งมั่นที่จะเสริมบารมีให้จมเปี่ยมเพื่อถึงฝั่งมีข้อพิสูจน์ทางวิทยศาสตร์มากว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดแล้วจบสิ้นเมื่อตายแต่ ชีวิตก่อนเกิดและหลังตายเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันไม่มีใครยืนยันได้นี่เปลาะหนึ่งนะแต่ผมจะมาถึงเปลาะสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นแตกหักเลยนะฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นของโลกุตตรธรรมแตกหักกันเลยเพราะว่าประเด็นแรกเป็นประเด็นทางจริยธรรมและฐานความเชื่อของขอ ง, ของฐานล่างของความเชื่อศา ส, สนาในความรู้สึกและคิดซึ่งเป็นฐานวัฒนธรรมต่อประเด็นแตกหักนื่องมีเรื่องอย่างนี้ครับว่า พระรูปหนึ่งชื่อเมคิยะหรืออะไรผมจําไม่แม่นแล้วนะครับไม่อาจยืนยันชื่อได้ได้แสดงวาทะความเข้าใจต่อคําสอนพระเจ้าต่อหน้าพระภิกสุสงห์ว่าผมเข้าใจแล้วผมได้ยินมาเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์ว่าอุตุยนธรรมดานั้นยังมีกิเลส ต, ตัณหาอยู่ตายไปแล้วย่อมไปเกิดอีกตามอํานาจของกิเลสตัณหาส่วนอรหันนั้นเนื่องจากสิ้นอาสวะกิเลส ต, ตายแล้วก็ย่อมไม่เกิดฟังดูราบลื่นดีนะครับ ผมเชื่อชาวพุทธทั่วไปเข้าใจอย่างนี้จริงๆด้วฟังดูไม่น่ามีข้อโต้แยง้งแต่แล้วปัติญาเกิดขึ้นทั่วถึงกับพระภิกษุซึ่งซึ่งมีปัญญาทั่วไปนะี่ถึงขนาดปนาว่าทําไมคุณกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ถ้าไม่ได้สอนอันนี้เนะนี่น่าคิดทีเดียวครับพระนั้นก็เถียงบอกได้ยินเฉพาะพระพักเลยพระเจ้าสอนอย่างนี้จริงๆเพื่อนพระด้วยกันก็ไปฟ้องภาษาริบุตรครับ พระสารีบุตรได้ยินทังมาเลยเพราะว่าพระองค์นี้ก็จะผิดจริงๆท่านศักสักว่าเธอเข้าใจอย่างนี้จริงเหรอือที่ยืนยันเนะพราะรุ่ น, นั้นก็ใจจริงเหมือนกันคนระับบอกเข้าใจอย่างนี้จริงๆพระสารีบุตรท่านเรียกโมคะบุรุษเลยนะฮะทําไมเธอเข้าใจสิ่งลามกมาเข้าใจเป็นวจนะของพระเจ้าบางทีเราอาจจะโดนด้วยก็ได้นะทีนี้ท่านศักดิ์พระสารีบุตรก็สักค้านศักให้ให้แจมแจ้งนะครับว่า เธอได้ยินคําสอนเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณขอถามว่าในขันห้านั้นมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือมีอรหันอยู่หรือเปล่าอรหันอยู่ในขันในรูปขันหรือรูปขันมีในอรหันเร่าลูนั้นก็บอกไม่ขันก็คือขันขันห้าคือขันห้านะรูปก็คือรูปนี่แหละมันจะมีอรหันอยู่ในรูปได้ไงคือรูปไม่ใช่อรหันแล้วอรหันก็ไม่ใช่รูป สักไปต่อหมวดเทวทนาอารหันต์อยู่ในเวทนาหรือเปล่าค้นหาตัวอรหันต์ได้ภาวะอรหันต์อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์นี้ได้หรือเปล่าก็ไม่มีสัญญาละ่ะก็ไม่มีสังขารละ่ะก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ก็ไม่ใช่วิญญาณสารบุตรเลยเปลาา่า嘛ก็แล้วเธอเอาเหตุผลอะไรมาบอกอรหันต์ตายแล้วศูนย์คนธรรมดาในเมื่อตั้งแต่เดิมทีมาแล้ว คนสัตว์บ th er ุคคลอรหันต์ไม่มีอยู่ในอัตภาพนี so ้สักแต่ธาตุล้วนๆนั่นนั้นนี่คือความรู้ขั้นแตกหักครับแต่ก็ในสุดพระรูปนั้นก็ปรับความรู้ควาเข้าใจได้พระสารีบุตรเมื่อเห็นพระรูปนี้เข้าใจถ่องแท้ก็ซักว่าต่อแต่นี้ถ้าใครมาถามเธอในประเด็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเธอตอบข้ออย่างไรสิ่งที่จริงนั้นพระรูปนั้นตรัสรู้เฉพาะหน้าของพระสารีบุตรในขณะที่ฟังกระแสจิต กระแสปัญญาเติบโตมาจากได้ยินได้ฟังความรู้ขั้นแตกหักขั้นสูงสุดอย่างนี้นะท่านตอบว่าต่อไปนี้ผมจะไม่พูดอีกเรื่องนั้นผมจะบอกว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นผมจะไม่พูดเรื่องคนเกิดคนตายอีกแล้ว น, นี่คือความรู้ขั้นแตกหักเลยคนระับแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าหลากหลายวัฒนธรรมในหลากหลายมุมโลก ห้องพวงในเรื่องการตายและเกิดนีิมากหรือว่าอียิปโบราณหรือทุกชนชาติดูเหมือนเป็นปัญหาที่แฝงเร้นอยู่ในหัวใจของบุตรชนแต่ไม่ใช่ปัญหาของอริยเจ้านับตั้งแต่โสดาจนอรหัสนะฮะนี่ไม่ใช่ปัญหาของท่านเป็นปัญหาของคนไม่รู้ส่วนการีค้นหาความจริงมีอยู่หรือไม่มีอยู่นั้นท่านก็แจ้งไว้ในหบทธรรมหนึ่งนะครบคนทั้งหลายติดยึดสุดโต่ง ถามถึงภาพมีอยู่หรือไม่ก็ไม่มีอยู่ให้รู้แล้วรู้ลอดไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ท่านบอกท่านเองแสดงธรรมเป็นกลางเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีจึงดูแล้วกล้เล่นลินครับแต่ที่จริงเป็นหลักที่สําคัญมากหลักหนึ่งเราเรียกว่าอิทัปปเจตานะครับหลักที่ว่าสรรพสิ่งนั้นไม่มีตัวตนเพียงแท้ถาวร อ, อาศัยอิงกันเกิดดังนั้นสิ่งไม่มีก็ปรากฏมีได้ครับ แต่ยกอย่างผีเนี่ยมีหรือไม่มีแต่ว่าคนกลัวเพราะความเชื่อมีนัดังนั้นก็มีบทบาทจริงในสังคมเราขึ้นมาผมได้ให้ทัศนะหลายด้านขึ้นมาเพื่อจะเลือกให้เหมาะสมน ะ, ะแต่ผมยืนยันว่าความเชื่อที่ว่าพบชาติมีนั้นมีคุณมากกว่ามีโทษอย่างน้อยเป็ น, นกลไกระงับความรุนแรงถ้าเชื่อว่าชาติหน้ามีอีกเราต้องสํารวมมนฑัะวังการทํากุศลหรืออกุศลนะ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 แต่ผมฟังแว่วๆไม่ดีไม่ชัดเจนหรือใช้กล้องเกรเรียนนลงครับเขาเรียกเกรเรียนวีดโอกราฟถ่ายใบไม้สดๆซึ่งภาพที่ได้ผลได้จากการถา่ายทำให้เกิดภาพเรืองแสงแต่ไม่มีคุณสมบัติของแสงเหมือแบบ น, นเขาเรียกว่าภาพเรืองแสงตับก็เรียก a ラสม t ติอะไรก็ไม่รู้นะพลาสมาแสงเรืองของพลาสมา ไม่ใช่ภาพถ่ายธรรมดานะคุณภาพถ่ายลังสีแต่นี่ไม่ใช่จุดที่ผมจะเล่าจุดที่จะเล่าก็คือผู้ดทดลองได้เด็ดยอดไม้ที่สดๆนั้นดเด็ดออกพอเด็ดปั๊บถ่ายเลยผลได้กล่าวว่ามีภาพร่างนั้นอย่างสมบูรณ์นึกออกฮชว่าว่ า, วาจุดสําคัญมันอยู่ตรงไหนแต่ภาพสมบูรณ์นั้นเนะ่ยซึ่งใบไม้จริงถูกเด็ดยอดไปแล้วนะเด็ดขาดไปแล้วเนี่ยแต่พอถ่ายรูป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 แต่ว่าก่อนเกิดและหลังตายนี่อาณาจักรนี้ความเป็นไปนี้เพียงไรนั้นไม่รู้ครับผมไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ผมก็ได้เสนอความรู้ขั้นแตกหักของพุทธศาสนาแล้วนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งเสริมนี่นครับเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นเพราะาเป็นปัญหาหสําคัญคนทุกวไปคิดว่าคนทําบาปทุกคนต้องลงนรกทําบุญทุกคนต้องไปเกิดในสวรรค์ทาดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วใช่ไหมครับนี่นเป็นเป็น top ที่ล่า ซึ่งบางทีระดับนี้นะครับขัดแย้งกับความเป็นจริงด้วยพระเจ้าท่านตรัสว่าท่านไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านกล่าวว่าคนบางคนทําดีมานะทําดีมาตลอดแต่ก่อนสิ้นลมก่อนจิตดวงท้ายจะดับนี่สมาทานมิจฉาทิฐิมีอบายและทุกขติเป็นที่หมายครับ ค, คือทำดีมาตลอดเลยทำบุญมันก็สมตลอดแต่ว่าจิตดวงท้ายสมาทานมิจฉาทิฐิ กดสับสนเข้าจะติดขึ้นคติเป็นโรคเป็นอบายทุกคติวินิบาต